ให้สบายตาโปรงใจก็ได้มองสิ่งที่คนทั้งหลายติดชอบให้เห็นเป็นหน้าสลัดละก็ได้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพนั้นกว้างใหญ่ที่สุดแผ่กลุ่มทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพื้นฐานเป็นที่รองรับอบล้อมไว้หมดทั้งสิ่งแวดล้อมทางสังคมจิตใจและเป็นที่อาศัยของปัญญาแม้แต่ภิกษุ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 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีมีความสําคัญทั้งในตัวมันเองและต่อระบบ ก, การพัฒนาคนสีด้านสี่ขั้นทั้งหมดดังกล่าวมาดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงให้ความสําคัญทั้งแก่สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีและแก่การพัฒนาคนด้านความสัมพันธ์ทางกายภาพนั้นเป็นอย่างมากจึงกระทั่งแม้แต่ชาวพุทธเองก็เลยมองข้ามไปไม่ละเห็น พระพุทธเจ้าเมื่อจะส่งอนุ ญ, ญาตให้พระมีที่อยู่คือมีวัดก็ส่งอนุญาตอารามซึ่งแปลว่าสวนหรือที่มายินดีและอารามสาคัญก็มาจากอุทยานทั้งนั้นไม่ว่าเวลูวันหรือเชตวันคำสาคัญที่ใช้อยู่เสมอสำหรับบอกสภาพของสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดีคือคาว่ารมณี คือเรื่นรมหรือรามณยหรือในคถาต้องการคำสั้นก็อาจใช้รัมมะซึ่งเป็นไวยพ์มีความหมายอย่างเดียวกันที่โรมมณีนั้นพูดด้วยภาษาง่ายๆก็คือที่สะอาดปลอดภัยมีธรรมชาติงามรมเรื่นน่าชื่นชมเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจอย่างที่ว่า ท้องฟ้าแจ่มใสไร้หมอกควันสายลมสดชื่นมีแม่น้ำหรือแหล่งน้ำที่ใสสะอาดปราศบนละพิษเจือปนบนผืนแผ่นดินไม่ขาดไม่ไร้ต้นไม้และพืชพันธ์สถานที่โดยรอบเรียบร้อยสบายตาสบายใจไม่พลุกพล่านจอแจไม่อึกะทึกเอ็ดอึงคนในถิ่นในที่ก็อยู่ร่วมกันด้วยดีมีน้ำใจยิ้มย้มแจ่มใส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 มีพระดำรัสตรัสเล่าเองยกมาตามคำบาลีว่าตัดทัดทสังระมณียังภูมิภาคังณที่นั้นเราได้พบภูมิภาคที่เรื่นรมคือรมณมีและทรงบรรยายว่าภาคพื้นภูมิสถานที่นี้เป็นที่เรื่นรมจริงหนาบาลีว่าระมณียวัตต มีไพรสนร่วมรื่นหน้าชื่นบานทั้งมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำใสเย็นชื่นใจชายฝั่งท่าน้ำก็ราบเรียบทั้งโครจรากามก็มีอยู่โดยรอบเป็นสถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบำเพ็ญเพียรสำหรับกุลบุตรผู้ต้องการทำความเพียรภิกษุทั้งหลายเรานั่นแหละได้นั่งลงแล้วนะที่นั้นโดยตกลงใจว่าที่นีล่ะ เหมาะที่จะบำเพ็ญเพียรเมื่อใกล้จะปรินิพานในเหตุการณ์ตอนจะทรงปลงพระชนมายุสังขารได้ตรัสทวนความเก่ากับพระานนท์ก็ตรัสถึงถิ่นสถานที่เป็นโรมมนีที่สดชื่นรื่นรมจำนวนมากนับได้16แห่งเช่นว่านครราชค ร, รื่นรมขขาวคิจกูดโคตมานิโครธเกลทิ้งโจร ทมสัตบัญคูหาข้างภูเขาเวภาวราบันพศกาลัสิลาข้างภูเขาอีสิคิลิเมือผาสัปเปโสนาทิกาสีตะวันตะโปทารามเวลุวันกลันทกะวิวาปสถานชีวกรรมพวันมัทกุฏฉิมรึกัทยวันก็รื่นรมภิกษุรูปหนึ่ง เข้าป่ามุ่งหน้าปฏิบัติกิจทางจิตปัญญากล่าวคาถาตอนหนึ่งว่าเราผู้เดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนในป่ามหาวันอันรื่นรมเมื่อไรนะจะได้อยู่อย่างผู้ทากิจเสร็จซึ่งหมดสิ้นอาสวะแล้วแต่เมื่อพัฒนาจบเป็นพาวิตรบสีด้านแล้วตัวเองกลับกลายเป็นผู้ที่ทำให้เกิดสภาพโรมนี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 พัฒนาตนให้เป็นภาวิทยิ่งขึ้นไปจนความมีอยู่หรือปรากฏตัวของตนเป็นภาวะโรมนีที่เกื้อกูลแพร่กระจายขยายไปทั่วนี่คือการพัฒนาทางกายภาพที่เรียกว่ากายภาวนาซึ่งทำให้คนเป็นภาวิตกายบุคคลภาวิตกายเป็นผู้ที่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพดีแล้วก็จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะมองเห็นคุณค่าความดีงามของสภาพที่เป็นโรมานีมีความพึงพอใจได้ความสุขเมื่อได้เห็นได้อยู่กับสภาพโรมานีเมื่อสภาพจิตใจไฝ่โรมานีของคนสอดคล้องกลมงปืนกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นโรมานีการอนุรักษ์ธรรมชาติและบรรดาสิ่งแวดล้อม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 ที่จะมาทำให้เสียภาวะโรมนีทำให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมที่บูรณาการอยู่ในตัวเองของการดาเนินชีวิตที่ดีนี่คือการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักพัฒนาการสีด้านในพระพุทธศาสนาถ้าการพัฒนาขั้นนี้ดาเนินไปได้ก็นับว่ามีฐานดีที่จะให้มั่นใจว่า การศึกษาเพื่อพัฒนาการอีก3ด้านจะก้าวหน้าต่อไป